Buddham s <laughs> a r a m gaccham. u d h a m s a m g a m b sariram gaccham. d h a a m sariram gaccham. d i s h a r a n a m g a t c h a Sangham s h a r a n a m g a t c h a Sangham s h a r a n a m g a t c h a s a n h a m s h a r a n a m gatsha. l a k o a a n a n a a a a n จะเข้าในในสูตรเนะี่ยนี่ยังเข้าในเรื่องลำดับเรื่องดอยยอดทีนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ว่ารักษาศีนที่เขาเรียกว่าสวยอนวัชสุขสุขที่เกิดจากความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สุขที่เกิดจากการเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หมายความว่าสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตแบบไม่มีโทษ ก็คือพูดถึงพร้อมด้วยศีลมีการรัเว้นจากการฆ่าชีวิตสรรพจจิงในสามัญญาผลและสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสแสดงเกี่ยวในเรื่องว่าสแสดงในเรื่องของจุรศีลมชิมะศีและก็มหาศีลที่สแสดงจุรศีลมชิมาศีมหาศีนเนี่ยก็ทรง แล้วก็ไปแสดงอีกข้อหนึงก็คือแสดงเกี่ยวนในเรื่องของยินสีสังวรในเรื่องของจุราศีนมาชิมาศีนแล้วก็มหาศีนถ้าจะมาสรุปลงตรงนี้ก็คือว่าท่านก็สรุปลงในปาฏิโมกสังวรศีนก็ได้นะแต่ในที่นี้ท่านแสดงศีลที่เกี่ยวกับในเรื่องของจุราศีนแล้วก็แสดงในส่วนของมาชิมศีนแล้วก็แสดงในส่วนของมหาศีนในรายละเอียดก็จะอยู่ในส่วนนี้ แต่ถ้าไปพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของตัวกุศลศีลเนี่ยในเรื่องของกุศลศีล น, นั้นเลยนะท่านแสดงลักษณะรักษณะประจืปรถามประทัดฐานของกุศลศีลก็ไว้บอกว่าตัวกุศลศีลนั้นมีปฏิฐานนักพะนังก็คือว่ามีการเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งปวงนั้นเป็นลักษณะอันนั้นในในยะหนึ่งนะอย่างที่ได้กล่าวว่าศีลเนี่ย ที่บอกว่าเป็นศีละนาเนี่ยมีสองลักษณะคือเจตานาก็ชื่อว่าสีเจตสิกก็ชื่อว่าสีสังวรก็ชื่อว่าสีอวิติกระรมคะือการไม่ก้าร่วงก็ชื่อว่าสีคือเจตานาก็ชื่อว่าสีเนี่ยก็หมายถึงอะไรก็หมายความประการจัดแจงซึ่งนามธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นถ้าพูดถึงในเรื่องของนามธรรมเนี่ยตัวเจตานาเนี่ยเขเป็นประธานนะ เป็นประธานของนามธรรมาในเรื่องของเจตสิกธรรมทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นเจตนาเพราะอัตวัตแจกแจงซึ่งนามธร ร, ร ม, นนะา ม, มา ท, ทั้งหลายมีภาษาเป็นต้นที่ประกอบกันตนไว้กับอารมณ์นั้นๆถ้าบอกนามธรรมทั้งหลายมีภาษาเป็นต้นที่ประกอบกั็นตนนั้นเนี่ยจะกระทํากิจของภาษาคือการกระทบอารมณ์ได้ก็ต้องอาศัยอะไรก็ต้องอาศัยจากการได้รับการอนุกูลหรืออุปการะกับเจตนานั่นเองฉะนั้นเจตนานั้นน่ยจึงเป็นตัวนําสัมปยุตธรรมทั้งหลาย เขาบอกว่าถ้าเราท่องเจตสิกธรรมจะขึ้นภาษาก่อนนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกขาตาชีวิตินสีมณสิการก็กว่ากันไปแต่ถ้าหากในหลักของคำภีร์วิสุติมาร์กเนี่ยท่านจะบอกว่าเจตนาก็ชื่อว่าสีสองเจตสิกก็ชื่อว่าสีสามสังวรก็ชื่อว่าศีสี่อวีติกามะคือกลางไม่ก้าวล่วงก็ชื่อว่าศีอีกถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวกุศลสีเนี่ยนะ ทีนี้เจตนาพระชิวศีนั่นคือตัวจัดแจงหรือว่าเจตจำนงหรือจัดแจงเนี่ยที่จริงนามธรรมนั้นน่ะนามธรรมกล่าวคือปัสสาะเป็นต้นนั่นน่ะเกิดร่วมกันกันกบเจตนาใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช่แต่ว่าเจตนานั่นแหละเกิดก่อนเออไม่ใช่เกิดก่อนนะเป็นตัวที่เข้าเป็นตัวประกอบกับตนเข้าไว้กับารมณนั้นน่ะ คือผัสสะเนี่ยกระทํากิจของตนในการที่จะทําให้การกระทบอารมณ์เกิดขึ้นได้ฉะนั้นผัสสะจะทํากิจของตนเองได้นั้นก็ต้องอาศัยเจตนาหรือได้รับอํานาจอนุภูมิจากเจตนาหรือเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นก็ในญากเดียวกันฉะนั้นเจตนาก็ชื่อวศีลได้แก่ศีลเจตนาเป็นกุศลกรรมไอตัวกุศลกรรมนี่เขาเป็นกิจพิเศษไหมก็ต้องบอกเป็นกิจพิเศษเขาเรียกว่าพีชั่ทิชาทกิจอะ ก็คือเป็นศีลเจตนากรรมที่ทําหน้าที่พเพาะอะไรเมล็ดพืชทำเลยนะก็แปลว่าตัวเจตนาก็ชื่อศีลเป็นกรรมเนาะไม่ใช่บริเวณเ น, นะแล้วเมื่อกระทําลงไปแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การที่จะต้องได้รับผลบุญผลดีและผลชั่วเป็นต้นแต่ถ้าเจตนาในที่นี้เนี่ยที่เป็นเจตสิกในที่นี้หมายถึงเจตนาที่วัดเว้นจากกรนันทิบาตเป็นต้นเนี่ยนะจริงๆธรรมาต้องใส่แว่นถอดแว่นไม่ใช่อะไรนะ คือเวลาใส่แล้วจะมามองโยมไม่เห็น <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะบางทีเขาใส่ใช่ไหมคนดูก็จะมามองว่าดแปลกซล้หนึ่จะถอดเสื้อใส่มันมีอันหนึ่งลืมอามาเือปวดไปดังฟ้าขาดสติก <c oughs> คือจำผิดไงมองไม่ใช่แล้ว น, นี่แน่นอนเอามาเลยไม่ใช่เลยก็เลยต้องใส่้าไมใส่ใอ้มาม อ, มองมีสี เห็นเห็นความชลาของตาจริงเนะถ้าเกิดสมมุติเอามาตาบอดลงไปจริงๆใชกล่าวว่าทําได้เฉพาะที่จําได้กันนั่นเองจริงๆกล่าวรั้ก็กล่าวผิดก็ไม่รู้บางทีเลยเจตสิกก็ชื่อว่าศีลอย่างหนึ่งนะอันนี้คือพยายามจะเชื่อมโยงว่าจุรศีลมชิมาศีลและมหาศีลก็คือกล่าวในเรื่องนี้แหละก็คือเจตนาเออเจตสิกเลยสังวรเอาวิติกามานี่ยนะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เนี่แหละ ที่ทางสงฆ์เคาะจับใส่ใส่ไว้เนี่ยนะส่วนเจตสิกเนี่ยมีเจตสิกเนี่เกิดพร้อมกับจิตแต่พร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใช่ไหมอาศัยวัตถุเดียวกันกับสิทธิ์เจตสิกเนี่ยในเจตสิกที่ชื่อว่าสีมีสองส่วนในส่วนของสัมมาวาจสัมมากัมมัฏฐและสัมมาชีวะในส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของอโลมณ์ภาโทสารแล้วก็สัมมาทิฏฐในส่วนหนึ่งอันนี้เห็นไหมเจตสิกเหล่านี้ก็ชื่อว่าสีถ้ามองดูโยกเคยสังเกตใช่ไหม สัมมาวาจาสัมมารกรรมตัฏฐสัมมาชีวะเนี่ยสัมมาวายมะนี่ไม่แปกว่าเป็นสีใช่ไหมเป็นตัวเจตสิกสีแต่อโลพาเจตสิกอโลอะอะโลสาเจตสิกแล้วก็อะโมหะเจตสิกก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยเออเป็นศีได้ยังไงถ้าถามนี้ต่อบไหใช่ไหมไม่น่าจะเป็นศีได้ใช่ไหมใช่ก็มาสักครู่เนี่ยจะมายังพูดเลยอโลภพาทาม ก็เจตนาทานก็คือเจตนาเจตสิกอโลภาทานก็คืออโลภาเจตสิกคือการสลักวัตถุสิ่งของและตัดความโลภใช่ไหมตัดความเกี่ยวข้องได้สละกได้เลยเหมือนเด็ดดวงใจยื่นให้เลยไม่อะไรอววรเลยเงี้ยเหมือนพระโพธิสัตว์ที่ท่านทำที่ว่าบริจาคภรรยาแล้วก็บุตรครับบริจาคภรรยาแล้วบุตรอีบริจาค ย, ย, ยากยากไหม ต้งดว่าภรรยาหน้าบริจาคระหรอันนี้คนสมัยนี้นะคนสมัยปัจจุบันก็ทะลเลาะเถียงกันก็จะทิ้งกันเย่ๆหมาใช่ไหนะอันนี้ที่พระโที่สัตว์บริจาคนี่คือของที่ดีที่สุดใชของที่ดีอันนี้ถ้าพูดปัจจุบันนี้คนเราไม่เห็นประเสริฐเลยก็นั่ลไม่บริจาคนี่ <c oughs> คนคิดแบบปุฎุชนธรรมดาคิดเนีนยคือไปเอาจิตของตนเองไปวาดใจพ็โพธิสัตว์ทั้งทั้ดีใจของตนเองนะโว้ ไปเทียบกับใจจิตของพโบรติสต์ไม่ได้เลยลองมา พ, พิจารณาดูเนะี่ยถ้าลองไปศึกษาเกี่ยวในเรื่องของในจริยาปีดกันในะออมหน้อ่านถ้าอ่านคำเพียแล้วเห็นหมอบว่าทําสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาทําไม่ได้เอ๊ะทําได้ยังไงเวลาอ่านศึกษาวั่าทมตรงนั้นไปแล้วก็นั่งอัศจรรย์ใจว่าทําไมทําได้ขนาดนะั้นเอาอะไรไปเทีที่บอกว่า จะสละให้ช้างเลยนะที่ว่าเป็นช้างประจาบ้านประจำเมืองเนี่ยเขาก็บอกอุ้ยพม่าก็มาทัดทานบอกว่าเป็ให้ได้ยังไงท่านก็บอกว่าพี่เดี๋ยวว่าจะช้างด้วยราชบัลลังก์ยังให้ได้เลยดูสิดูวิธีคิดสิเดี๋ยวว่าจะช้างด้วยราชบัลลังก์พอเขาไปทูลขอพระราชบัลลังก์อีกก็จะให้ก็อีกเขาก็ไปทัดทานอีกให้ทําไมเดี๋ยวว่าจะราชบัลลังก์ด้วยชีวิตเรายังให้ได้เลยเหมือต้องคุยกันแล้วถ้าขนาดนี้แล้วเลคุยแล้ว คนขนาดให้ชีวิตเราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแลยวใช่ไหมใช่แล้วชีวิตี่เป็นสิ่งที่เรารักเราห่วงเห็นมากเรารักมากแล้วคนที่กล้าสละชีวิตในการที่จะให้ก็ดูอย่างตอนที่บอกว่าตอนที่ว่าท่านเป็นดาบดมีลูกศิษย์ก็เยอะขึ้นไปบนเขาเออบนหน้าผาไปบนเขาก็เห็นในเสือแม่ลูกอ่อนกําลังจะกินลูกเห็นไหมกําลังจะกินเบ็เสรนะ็จีหย ท่านก็บอกลูกศิษยก็บบท่านบอกลูกศิษย์ด้วไปหาเศษเนื้อเศษไรไม้แม่เสือก็นอนแม่เสือก็จะกินลูกตัวเองไม่จะทำบาปนะจะ่าทำบาปนะดีบาศด้วยความหยิวโอ้โหนะตามธรรมจารก็จะเป็นแบบเนี้ยสังสารวัตรมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถามว่าในปัจจุบันเนี้ยเราเคารพพ่อแม่เคารบหรือไม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพไ้ยถ้าตายไปเกิดอีกชาตินึ่งอะเราไปเป็นเสือแล้วก็หิวลูกแล้วก็ไปเป็นลูกเสือเราจะกล้ากินลูกไหม แต่คิดตอนนี้ก็ไม่กลารใช่ไหแต่ไปคิดตอนเป็นสจตุรย์ฉ า, านก้ากไหมไม่รู้เรื่องกันแล้วใช่ไหมยังเคยบอกนคนที่เคยถึงบอกว่าถึงจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ย่าตายายกันอย่างไรก็แล้วแต่สังสารวัตเนี่ยพราะมันถามภพชาติไปแล้วแล้วไปเป็นอบัยศาสตร์ขึ้นมาอันก็ห้ามมันกันใช่ไหมใช่เราจะเป็นอย่างเนี้ทีนี้พอพอลูกศิษย์ท่านไปเป็ยดเสร็จท่านคิดเลยบอกเออไม่ทันการแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ท่านคิดถึงสัมมาสัมโพธิญาณท่านต้องการจะสละชีวิตใช่งไหมเพราะท่านคิดเบรศเสร็จปุ๊บเดี๋ยวท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบแล้วเพราะความคิดในการที่จะสัมมาสัมโพธิญาณที่เกิดขึ้นในกระแสจิตเนี่ยเป็นความคิดที่มีโทษนะแปล ว, ว่ามันดับได้แล้วก็มันเปลี่ยนรู้ความรู้สึกได้นะเอ่อคนลองคิดจากใบาจากหรือจากให้รู้จากรักษาศีลนะบางครั้งตั้งใจว่ายอย่างดีแล้วนะแล้วปล่อยวันเวรไล่ผ่านไปเสียหายเลย กูสนเลยไม่ได้เลยเนีแล้วก็เคยเสียหายกุสนประเภทนี้มาเยอะเลยนันอย่าแปลกใจนะถ่าในอดีตที่เรายังไม่ได้บรรลุเนี่ยเพราะเราคิดแบบเนี้ยคิดประเภทที่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยแน่นอนนี่แหละประเภที่จะทําบุญก็ตั้งท่าที่แล้วนั่นตั้งท่าเยอะนักเข้าหนักเข้าเลยไม่ได้บรรลุเลยก็ะทำเไม่ได้สักมัดเลยเหลือแต่มิจฉามรรคมิจฉาสมามอรัยมรรคไม่ได้มิจฉามรรคเยอะหมดเลยแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะ มิฉาวาจามิฉากรรมมันต์เป็นต้นไปทีนี้บอกว่าอะโรพะอโทรสระแล้วก็สัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาวาจาสัมมากรรมมันต์สัมมาชีว่าเป็นศินไม่แปรแต่อโลพาเอาเป็นทานก็ได้ใช่ไหมอโทรสระเอาเป็นศีลก็อีกและอะโมหะโดยเฉพาะปัญญาเป็นสินก็อีกเอ๊เราทั้งนั้นเราจะว่าสิกขาสามยังไงอสินสมาที่ปัญญาจะจะจะจะห่างไงใช่ไห้ใชตรงนี้ก็ อ, อย่างนี้นะ อโลภาเนี่ยถ้าปลารบในการให้เนี่ยเป็นท้าถ้าปารบในการให้น ะ, นนนะโอโลภาตัวศาสเนี่ยหรืออโมหะก็เหมือนกันถ้าปรารบในการสลากในการให้เนี่ยเป็นทาาแต่ถ้าหากว่าปรารบเกี่ยวในเรื่องของการที่จะทำํำไม่ฆ่าเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะอันนี้เป็นตัวศีลเป็นกุศลศีลเออถ้าจะปรารบในการชําระกายกรรมวจิกรรมและสัมมาชีวะเนี่ย ให้ตัวที่จะปาราลบในการชําระกายกรรมวิจีกรรมและโดยเฉพาะตัวสัมมาชีวะให้ดีให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยต้องปัญญาเนี่ยปัญญานั้นชําระกุศลศีลใช่ไหมคือมันอย่างนี้ให้สังเกตดูดีว่าเอาสัน ต, ติมหามาตก็ดีหรือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาอย่างพระภิที่ไม่ค่อยมีกุศลศีลเนี่ยตอนนั้นมีคนถามอามารถามเออสรารานเนี่ยสารานิย์เมาทั้งชีวิตแล้วจะเป็นกระโสดาบันใช่ไหม ก็ปรลาดพอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเขาบอกเป็นไได้ยังไงคนทูศีลเป็นพระโสดาบันทศวรรษการนี้เป็นพระโสดาบันคนในคำวงระบินระพัดก็น่าจะเป็นพระสพวกเขาําเขาว่าพุทธเจ้าทีนี้บางครั้งเนี่ยปัญญาไปชําระทศวรรษศีลบางครั้งทศวรรษศีลไปชําระปัญญาอย่างอเราเราเนี่ย อาจะใช้ปัญญาไปชาระกุศลรศีเลยบางทีไม่ไหวให้คนบางคนเนี่ยเขรักษากุศลราศีมาอย่างยาวนานเลยนะอย่างพระบางรูปเนี่ยรักษากุศลราศีมาอย่างยาวนานชําระกุศลราศีมาอย่างยาวนานเลยเนี่ ย, ยาบางคนสิบปียี่ิปีมาตามลําดับเนี่ยต้องรักษากุศลราศีใหเป็นอุ ป, ปนิสัยปัจจัยหรือปัจจุบันิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังจนกุศลราศีนั้นมีความหนานแน่นในทุกๆุอารมณ์ เขาว่าหนาเนี่ยในทุกๆอารมณ์สามารถปารลรลูบารมรธารมกันดาารมและสารมบททะภารมและธรรมอารมณ์เ น, านีาา่ยสามารถทําให้กุศลศีลเดินได้ทุกๆทวารเลยที่ตัวกุศลศีลจากการที่เขาหนานเนี่ยเขาก็เป็นอุปนิสัยปจนะัจจัยไงตัวกุศลศีลเป็นปัจจัยแก่อวิปปิสารอาวิปปิสานก็เป็นปัจจัยแก่ปราโมทยิติปัจสถานความสุขสมาธิแล้วก็ยะถาภูดายานัทสนะใช่ไหยนี่นี่เป็ น, นลักษณะนี้ก็คือตัวกุศลศีลเนี่ยชําระแล้วชําระปัญญา แต่ในกลุ่มนคนที่เขาสั่งสมอธัธยาสายมามากเนี่ยบางคนอย่างแสนกลับเลยหรือบางคนเอาสั่งสมอธัธยาสายอย่างยาวนานที่จะต้องได้บรรลุอย่างเร็วนี่ยเขาก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิมาอะไรมาก็แล้วแต่อย่างสันตติมาามาภเนี่ยตอนตอนเช้าเช้ายังขี่ช้างเมาอยู่บนคอช้างเลยใช่ไหมเห็นพระเจ้ายังทํำฟัมเคารพพระเจ้าอยู่บนคอช้งางพระเจ้าพยแย้มพระโอษฐ์บอกว่านี่สันตติมาามาภเดี๋ยวเย็นๆก็ร้องไห้มาหายตาขาวก็ พูดอย่างนั้นนะถ้าโน้นก็ถามถ้าต่อมาก็มันและในีสุดจริงๆรงสันตติมหาหมา ก, ก็เมานางสนมกันเอานางกำนันก็มาเต้นรำในีสุดจริงนางที่ ท, ที่ที่สันติมหาหมารักมา ก, มากในขณะที่เต้นไปพวกอดอาหารไงอดอาหารก็คือคือตอนนั้นสันตดีมหาหมาเนี่ยว่านรัชการแผ่นดินแทนพระยไปินิจิตวันนะี้นก็ไปรบชนะมา กับเมาในขนาดนั้นนางก็ไล่ลัมไปตามจังหวะ ด, ดนตรตีคนที่ไล่ลัมไปตามจังหวะของดนตรีก็แปลว่าหนึ่งจิตนางก็ฟังดนตรีใช่ไหมนางก็คิดแล้วก็ไล่ลัมจิตแต่เชาวาโยธาก็พัดผันไปในกัลยาจายก็ทําให้กัลยากาย์าายของนางฟิวไหวไปตามการไล่ลัมนั่นนั้นที่นี้ลมดีจากการที่โอดอาหารมาก็เสียบแทงก็มัวใจในทว่จริงก็ตัดขั้วหัวใจแล้วก็ดิ่งลงชัก อาปากใจขาดเลยนะก็เลยแปลว่าตายฉับพันเลยสันติหมาหมา ก, ก็ให้ให้ให้ร้านไปดูทุกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตายแล้วพอตายขึ้นมาเนี่ยโทมานัทก็กวดขึ้นอย่างรุนแรงก็เผาแอลกอฮอลในร่างกายเนี่ยสั่งเมาทันทีเลยแล้วสั่งเมาขึ้นมาโว้ยโทมานัทมากใครเนาะจะเป็นที่ขึ้นอ๋อพระบรมศาสดานั่นแหละยังไงนึกถึงพระบรมศาสดาว่าจะดับทุกโทมานัทในใจของโดเองได้ ก็มีแต่พระปรมศาสดาท่านั้นก็เลยที่เราจะต้องไปเป้าพระปรมศาสดาแล้วก็ไปพอไปเป้าพระปรมศาสดาพระศาสดาก็บอกว่าดูก่อนสันติหมาสมาฐานคตบมเพลนบารมีมาเสียสงไขยิ่งโดยแสนกลับบมเพ็นบารมีสามสิบทักษ์มานี่นะมีทานบารมีเป็นต้นจนถึงเนวิจนถึงเบขาบารมีเป็นที่สุดเพราะนั้นบอกว่าหมาปริจารค้าพากันก็เพื่อจะแก้ทุกข์ให้แก่เธอนี่อะใช่ไหม นั่นเธอตั้งใจฟังเือแล้วจะได้ชังตลอดอายืุ่สั์เนี่ยถ้าหากว่าคนเป็นทุกข์ไปแล้วเข้าไปหาอย่างเงี้ยแล้วเขาแสดงความมั่นใจกับเราอย่างน้นมันนาชื่อใจใช่ไหมถ้าอย่างเราทุกข์ใจไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเราก็ทุกข์เหมือนกันยุ่งเลยนะเนี่ย่นไม่เนี่ยเราไปใช่ไหมเพื่อนมาทุกข์เราก็ทุกข์ไปก็ไปคุยทุกข์แต่ทุกข์เลยไปแก้ปัญหาไม่ได้มาเข้าห้ออบเดียวกันจะฟาดกันโดดน้ํำตายเนียแบบเนี้ยเนี่ยแล้ว ไม่ได้เข้าไปหาผู้ตัดทะลุอริยสัจได้ด้วยตัวเองนี่มั้พระพุทธเจ้ า, าเป็นสัมมาสัมพุทธะฉันพู้องคแตงตลอดอริยสัจเนี่ยนะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหายเกิดสัตว์โลกนะฉะนั้นสันตติมามาติไปโคดเนื่ยฟังสี่บาทคาถาแล้วได้บรรลุเลยนะฟังสี่บาทรคาถาแล้วได้บรรูุเลยนะแล้วก็มานั่งคิดเจ่ามัเราอ่านถ้าตายฟังยังไงก็ไม่มันไม่แทงตลอดเนะี่ยอ่านยังไงก็ไม่ได้บรรลุ ท่านอ่านเห็นไหมปัญญาไปชาระกุศลศีลแล้วมาปัญญาเข้ามาชาระกุศลศีลตัวกุศลศีลก็เป็นปัจจัยแก่ความมั่วปิตีประสิทธิเป็นต้นเลยเนี่ยและในสุดจริงก็ไปชุ ม, มาริยาศาสตร์กันได้แล้วก็ได้บรรลุฉะนั้นกรณีที่บอกว่าตัวศีลที่เราศึกษาเนี่ว่าอะโลพะตก็เป็นศีลได้เพราะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความถ้าหากว่าสลาวัตถุนี้เป็น เป็นทานนะกุศลแต่ถ้าหากว่านอกไปในเรื่องของทํำกายกรรมวัจีกรรมให้หมดจดหรือทอําอาชีพให้หมดจดเนี่ยอันนี้เป็นตัวกุศลศีลได้ดูสิแม้แต่ตัวสัมมาทิฏฐิก็ในลักษณะเดียวกันเพราะถ้าหากว่าศีลไม่อาศัยปัญญาแล้วเนี่ยศีลนั้นเพราะว่าศีลและทิฏฐิที่ตรงเท่นั้นที่จะเป็นเบื้องต้นของสมจรย์ิงไม่ได้ถ้าว่ากุศลศีลเนี่ยาาานะตั้งอยู่บนวิชาทิฏฐิได้ไม่ได้ มันก็ได้อีกกุศลศีลที่ตั้งอยู่บนมิจฉาทิฏฐินั้นจะเป็นไม่เป็นเบื้องต้นต้นของพรหมจรรย์ น, นยะก็แปลว่าไม่สามารถจะเป็นปัจจัยการแทงตลอดอริยสัตว์ได้ฉะนั้นตัวศีลเนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิ น, นั้นเป็นตัวมาชําระอีกิีนี่กรมบวนการฉะนั้นอโลพาะอะโทสักแล้วก็โมหะเนี่ยเป็นกุศลศีลด้วยาการอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาแบเจตสิกศีลก็มีสามส่วน ส่วนของสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะทีนี้ถามว่าวิตติสามมีสัมมาวาจาเป็นต้นก็คือการงดเว้นจากวจีทุจริตสี่มีการพูดเท็เป็นต้นเนี่ยสัมมากรรมตาก็คืองดเว้นจากกายะทุจริตสามมีปานาติบาตเป็นต้นสมรรมัมาาสม า, าชี ว, วก็คืองดเว้นจากวจีทุจริตสแล้วก็กายะุจริตสามอันนี้เกี่ยวกับเรื่องชีพฉะนั้นการมีอนาธิชาอัพยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นปจยยัจจัยในการชําระโดยเฉพาะตัวสมมาทิฐิเนี่ยเขาเป็นกรรมสกตาสมมาทิฏฐิฉะนั้นตัวกรรมสกตาสมมาทิฏฐิเนี่ยเขาไปรู้เรื่องอะไรลุง ก, กรลมแล้วผลลุงกลมยังฉะนั้นตัวปัญญาที่เป็นกรรมสกทาสมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวผู้สุรสิงได้โดยการว่าเอออันนี้เป็นปานาติบาตนะแล้วปานาติบาตเนี่ยเมื่อทําไปแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่อะไรใช่ไหม ถามว่ากระแสขันที่ทำปานาติบาตไปแล้วกระแสขันที่จะไปต้องอายุสั้นหรือถูกประทุ้สล้ายก็กระแสขันนี้แหละที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยกระแสขันที่ทําอธินาทานก็กระแสขันที่ทําอธินาทานนี่แหละจะต้องไปวิบัติเพราะทราบเป็นต้นเลยเนี่ยนะกระแสขันที่ทํามูสาว่าเป็นต้นเนี่ยมันก็จะวิบัติเสียหายเพราะการแตกแยกเป็นต้นเนี่ยนะกระแสขันที่ทํากาเมสุมิชาจางก็จะถูกใส่ร้ายนี่นะป้ายสีต่างๆนี่นะก็กระแสขันนี่แหละจะถูกใส่ร้ายปลายสีในอนาคตกระแสขันที่ ประพฤติผิดในการดื่มสุราเมีัยเป็นต้นก็ต่อไปก็จะทําให้สติสัมปชัญญะเฟื่อห ง, ห ล, อ ห, ลงหลือหลงเลอะเงาเป็นต้น เ, น, เนี่ยกลายเป็นคนสติปัญญาไม่สมประกอะฉะนั้นกน็มีเกี่ยวเรื่องการเบียดเบียนตนเองโดยแท้ฉะนั้นปัญญาที่ไปชําระหรือไปไค้ควรในลักษณะนี้ก็เป็นปัจจัยในการสังวรทําให้กุศลศีดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นอันนี้มองเห็นใช่ไหมปัญญานั้นน้องเข้าไปในสีนก็เป็นสี ถ้านอตไปในเรื่องทานยังไปเกี่ยวกับในเรื่องมุธทานดึงไอ้อันนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของสีประการต่อมาก็คือสังวรสังวร น, น, นี่เป็นสตินะอินเรียสังวร น, นั่นเองก็แปลว่าตัวสังวรก็ชื่อว่าสีนั้นเป็นไปในการที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสตินั่นเองที่เป็นไปกับการไม่เป็นก็คือไม่ให้บาปอกุศลและทำไม่ให้อภิชาแล้วก็พยาบาท แล้วก็มีฉาที่ถี่ไหลก็สู่ทาำทวารตาเป็นต้นอวีติกมะนี่คือการไม่เก้าร่วกทีนี้ถ้าไปดูในส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของเจตนาและเจตสิกถ้าถามว่าเจตนาก็ดังได้ทีกล่าวแล้วบอกว่าเป็นไปในส่วนของกรรมเป็นต้นด้วยแต่ถ้าพูดถึงเจตสิกเนี่ยวิรตีกับอนนาพิชาเนี่ย วิรติเนี่ยนะคำถามสมมาวาจาสมมากรรมันตาแล้วก็สมมาชีวะโดยเฉพาะสมมาวาจาเป็นต้นเหล่านี้ครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของคาถาสมมาวาจาวิรติเจตนาสมมาวาจาแล้วก็วิรติสมมาวาจาถ้าคาถาสมมาวาจาที่เป็นไปกับการพู่ดคืออัตมาที่เทพที่โกยดีดีที่นั่นไปวันก่อนอาตมาอาตมาพู้เจริดจะอยู่คํา พูดตเตือไปอยู่คํานี้เออสุดดก็แก้ตัวตรงนี้ก็ดีย๋ยวเงนินพูดตเตือนคาว่าเออคถาสัมมาวาจาเนี่ยเพื่อจะมาก็ไปค้นคว้าอีกเล่มหนึ่งแล้วก็ได้ยิน่ท่านผู้หนึ่งพูดมาอย่าไปอ้างนะเออเราก็อท่านผูนี้ชํานาญบาลีเนี่ยแล้วก็เออก็บอกว่าเออคถาสัมมาวาจาเนี่ยมันเกี่ยวกับนเรื่องของการพูดยกตัวอย่างเช่นเจอหน้ากันก็นสวัสดีนะไปไหนมา แต่ในใจเป็นบาป ก, ก็แด้วอย่างเงี้ยอาจามาก็เออก็เลยพูดตามเข้าไปตอนนั้นก็ดูเฉพาะอัจฉริยะเนี่ยเออพอไปดูดีกาขึ้นมาอุ้ไม่ใช่ท่านกำกับองค์ทำเข้าไว้ท่านกำกับบอกว่าเออกุศลกุศลจิตุบวาและกิริยาจิตุวาบวารเพื่อที่เป็นไปเกี่ยวเรื่องการพูดดีอะอาจารย์มาก็เออนี้เรากล่าวผิดแล้วเนี่แ ล, แล้วทำไงจะดีออกไปเยอะแล้วใครเห็นไม่ช่วยแก้หน่อยก็แล้วถือว่าเรื่องตนแล้วเนาะ ถือว่าเครื่องตนไอ้ที่ทําก็บาปไว้แล้วเนี่ยตอนนี้เห็นไหมเนี่ยพราะจริงๆอะถ้ดูจากคําว่าคาถาสัมมาวาจาเนี่ยก็นึกอย่างนั้นจริงๆนะก็คือคำพูดปกตินี่แหละไม่ได้มุ่งถึงกุศลจิตุบาทรหรือกิริยาจิตุบาทรหรแท้จริงเป็นไปกับกุศลจิตุบาทและกิริยาจิตุบาทก็คือว่าเนี่ยเราสนทนากันเราคุยกันอะไรต่างตอนนั้นที่จิตเป็นไปกับกุศลนั่นแหละเป็นไปอย่างปกติสามัญเนี่ยแต่ถ้าเจตนาสัมมาวาจาก็หมายความว่ามีความ เ จ, ต น, จตนาหรือจองใจในการที่จะไม่พูดเแคสติ้งตัอันเนี้ยแต่ถ้าวิรัติสัมมาวาจาเนี่ยเป็นความงดเว้นเลยนะเป็นตัวงดเว้นเลยอันนั้นเนี่ยฉันเขาเอาวิรัติเนี่ยท่านหมายตัวนี้วิรัติสัมมาวาจาไม่ได้หมายเอาเจตนาสัมมาวาจาไม่ได้หมายเอากระถาสัมมาวาจาเนี่ยเอาเพราะว่าวิรัติเนี่ยถามว่ารับอารมณ์ได้กี่การอาดีตได้ไหมปัจจุบันได้ไหม อนาคตได้ไหมเอาเวตีรับอารมณ์ได้กี่การอาดีตได้ไหมได้ไม่ได้ใครบอกว่าได้ปัจจุบันได้ไหมอนาคตได้ไหมนี่ไปดูจุลโท น, นภาคอารมณ์พิษจารย์หรือจีเจตสิเนีษย์เวทีเจตสิษยเนี่ย ร, รยับอารมณ์ได้สองการปัจจุบันกับอนาคตปัจจุบันกับอนาคตทีนี้บางคนไปอนูมีใจบังเทศใช้เขาบางคนถ้าไปบอกว่า วิรตีเนี่ยยังสมาทานวิรัตเนี่ยใช่ไหมสมาทานวิรัติถ้าเอาควาวิรตีมาเป็นประธานเนี่นะมาเป็นประธานในการที่ความในการนี้กล่าวในการบางที่เรากล่าวกันอันนี้ก็เรียกสมาทานวิรัติใช่ไหมตอนที่เราสมาทานวิรัติตอนนั้นมีมีศัพท์ให้ค้าหรือยังใช่ไหมมีของให้รักหรือยังมีแต่เราไม่รักแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ว่าเรามีความมีมันมีความคิดไงว่าเออเออด้วยว่า เวลาเราคิดอนะเออเรารับศีลมาจากพระเถระอะไรก็ระวังไปหรือบางทีเราได้ตั้งใจหรือมณสิกามันไปแล้วการสมาทานศีลเนี่ยสมาทานแป่งวาจาก็ได้คิดในใจก็ได้รับจากพระเถระรวบใจรวบหนึ่งเป็นต้นก็ได้ใช่ไหมแปลว่าที่รับจากพระเถระรวบใจรวบหนึ่งเนี่ยบางทีเราไปศรัทธาท่านผูดด้ใดเ่องต่างๆแล้วไปแล้วคื อ, อก็อย่างที่ว่าพระท่านไปรับนี่นะพอไปรับศีลจากพระเถระไปเสร็จแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยท่านก็ออกไปนา ในขณะนั้นท่านก็ถูกงูรัตท่านไงในขณะรัตขึ้นมาเป็ดเสร็จพวกมืท่านก็ดึงวีดมานะในการนี้จะตัดด้วจับคอ ง, งูเนี่ยนะท่านจะตัดคอ ง, งูให้ขาดท่านก็คิดวด่าอีเราเนี่ยตั้งใจสมาทานจาับวัตถรละผู้มีศีลเป็นต้นเหล่านี้การกระทาเช่นนี้ไม่สมควรแก่เราเลยนี่เป็นสมาทานวิรัตเกิดนะนี่ไงเวรตีเกิดอย่างเนี้ยในมหาบุตรนจะเกิดแบบเนี้ยทีนี้ถ้าสัมปัตตาวิรัตจะเกิดยังไงสัมปตตาวิรัตแต่เขามีอารมณ์ในปัจจุบัน ก็แปลว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ได้ปราลบสมาทานวนะินาบางคนนี่นะสมาทานนี่แหละนี่แหละอย่าง เ, าเราไม่ได้สมาทานอย่าสมาทานไปใสกกะทิพอลกจากที่ก็ไม่ได้สนใจแล้วแต่พาไปเจอเหตุการณ์ที่นปรากฏเฉพาะหน้าขึ้นมานี่นะที่เราเจะเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเราล่วงละเมิดเราเกิดคิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดเรื่องสมาทานนะคิดว่าเออคนเช่นเรามีการศึกษาดีใช่ไหมเราคนเรามีคนรุ้ รู้จักมากการกระทําเช่นนี้ไม่สมบวรณแก่เราเลยถ้าปลาที่มีฮิริโอตะปลาเกิดขึ้นอย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บอันนี้ไม่ใช่สมาทานวิรัตินะอันนี้เป็นเป็นเป็นไรเป็นสัมปัตาวิรัตหรือไม่ได้สมาทานเลยเราไปแล้วก็เห็นอะไรต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ร่วงละเมออันนี้ก็เป็นสัมปัตตาวิรัติแถมเวลาเรากุศลศีลมันเกิดยังไงถ้าถามบอกว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจเจริญกุศลศีลข้อไหนได้บ้าง เออจะเริกุศลราศีก้อนไหนได้บ้างนั่งน่งอยู่ ไ, ได้สักคองไหมได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ากุศลราศีเนี่ยเวลาสมาทานเบีดเสร็จแล้วต้องให้กุศลราศีมันเดินตลอดไหมเดินบ่อยๆไหมหรือว่าทิ้งไปเลยที่บางคนมีอยู่คนคนหนึ่งเนะี่ยมีอย่คนค น, นึ่งแลมีอยู่วันนึงก็อาจจะมาไปไปเทศ <Yeah. S 1> อาจจะมาก็ไม่เคยเทศที่วัดหแปลกไหมอาจารมาที่วัดไม่เคยเทศเลย แข็มากมีอยู่วันหนึ่งรู้ว่าจัดคิวที่ท่านไหนข้าวอัตมาไปเที่ก็ไปดูว่ามีคนฟังอยู่ห้าคนแปลกอัมาก็เอ้ยมานั่งคุยกันดีกว่านะี่ก็มานั่งร้องวงคุยโอ้โอยยมรักษาศีลมากี่ปีแล้วสามสิบกว่า ป, ปีแล้วท่านโอ้มากวยัตมาวยีน่นี่นก็ถามไปเรื่อยๆแต่แววกุลวัลวัลแจกเงาะเงินทั้งนั้ น, น, น, นเออรักษาศีลแล้วเป็นยังไงก็กเล่าให้ฟัง เ้ิรักาเสร็จเลยมาก็มานั่งถึงอสินแต่สินอูโบสดกว่าเข้าไปเนี่ยเมื่อเสร็จก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้มมีอะไรเนี่ยก็กลับไปก็เดี๋นี้ยมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงังขี้บ่นเหมือนเดิมใช่หมโงหงิดอย่างเดิมแล้จิตใจมันมีความสุขจากการเจริญกุศลสิ่งไหจะบอก่ลูกก็หาว่าว่าฉันขี้บ่นกวเดิมด้วยอันนี้ชักหน้าทิดนะด้วชาวพุทธเรานี่หน่าทิศมากไหมตรงนี้ ใช่ั้มอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ย่ยคุณรักษาศีลอย่างไงมาทั้งสามสิบกว่าปีก็เลยบอกยอมานี่นะยอมมีอาชีพค้าขายไหมใช่เอางี้ยอมเจ็ดวันนี่ยอมเปิดร้านคขาอยู่แล้วเปิดเฉพาะตอนเช้าขายของได้สองชิ้นแล้วยอมก็ปิดร้านอีกเจ็ดวันก็เปิดใหม่ร้านค้ายอมอยู่ได้ไหมไม่ได้เจ๊งมั้งเจ๊งแล้วยอมรักษาศีนแบบเนี้ยไม่เจ็ดวันมาทีก็มารักษาเฉพาะตอนเช้ายึดหนึ่งแล้วกลับบ้นแล้วก็ทิ้งศีนไปเลย ถ้าเจ็ดวันก็นมาทีเจ็ดวันก็นมาทีถามอยีร้านของยอมเจ๊งไหมนี่กระแสขันมันจะเจ๊งอยู่แล้วยอมยังไม่รู้ตัวเลยกระวนกระวตกใจแกบอ ก, กบอ๋แล้วฉันจะทํายังไงดีก็ว่าเอาเลยทํำยังไงหแต่ไปมหมดแล้วมั่งเหนียวก็เลยบอกนี่ไงการละลึกกุศลศีลไม่ได้เพรมาปริมาณของกุศลศีลไม่หนาแ น, น่นกระแสใจในกระแสใจของบุญเลยบุญยุ่งเลย ใชไหมตัวกุศลศีลมันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตจริงคุ่นได้คุณเกี่ยวข้องกับสิ่งใดกุศลศีลคุณเดินไหมเช่นคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งของต่างๆเหล่านี้ถามว่าปาณนาทีบาคุณจะไม่รู้เกิดขึ้นยังไงการงดเว้นจากปานนาทีบาหรือการง ด, ดเว้นจากลัธินนาทานงดเว้นจากการเมสุมิช้าจานงดเว้นจากมุสาวาเป็นต้นแล้วก็องดเว้นจากการดื่มสุราลเมรัยมที่ตังง้งความประมาทเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนียท่านตาล็ บ, บ่อยแล้ตัวกุศลศีลก็จักหนาแน่นมากนะ ทนี้ให้สังเกตดูไหมว่าที่รับสารกุศลศีลกันมาเนี่ยไม่เคยเกิดปลาโมดเลยอะ่ะปีติก็ไม่เคยเกิดปัิสธิก็ไม่เคยได้ใช่ไหมคิดถึงศีลทีไรบางทีทุกใจอยู่เลยเลยเป็นเพราะอะไรครับแสดงว่าตัวกุศลศีลไม่หนานแน่นในกระแสะขันเนี่ยเมื่อไม่หนาแ น, น่นแปลว่าปริมาณของกุศลศีลไม่เป็นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงลแล้วก็กายกรรมตอนนั้นกายกรรมวิีกรรมก็เ ก, กลื่อนกลนกระจัดกระจายหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวประปานาติบาตบ้างอาทินนาทานบ้าง ในที่สุดจริงๆทศจริมันถึงเป็นไปในชีวิตจริงของชาวพุทธเนี่ยนะเออเป็นไปอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถระลึกทิ่ให้เป็นกุศรศีลได้คือเราไปเข้าใจไงว่าพอไปรับเบสเสร็จแล้วคนนึกว่ามันจบแค่นั้นเหมือนอาตมาบวชใหม่ๆอ่ะแต่มาเข้าใจผิดถัดเลยนะว่เออเข้าบวชปุ๊บพระท่านก็สวดญาติติตุอญติติญติเจตุทะกรรมวาจาสวดเบสเซ็ตอาตมาเนี่โอ้เราเป็นพระแล้ว นึกว่าแต่เวลาเขาสวดมันเหมือนเขาปลูกเสษเครื่องรางของขังกันเลยเามาเข้าใจเงินจริงก็บวชวิญญาณเขาบุญไปบวชก็้วไปนั่งตั้งใจฟังไงดีดิเราเป็นพระล้วก็ระมัดระวังใหญ่กลัวพระมันจะหลุด <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังอยู่นี่นแหละนี่เราไม่รู้นี่ไหมศีลก็ท่องได้แค่นี่เยเนี่ยนว่าปูว่าก็ท่องอยู่แค่นั้นนะพอลราชี่สังฆาที่เสเสร็จสามอาันนี้ยอสองกระทองกันไปอยู่เงนินะะอะไรไปก็ไล่ไปตลละครอบไป แต่เราไม่รู้จะเอยเวลาจะให้มันเดินเดินยังไงเราลืมนึกไปว่ายิ่งกุศลศีลมากใชตัวกุศลศีลพื้นที่มากเท่าไหร่มันก็เป็นอา ร, รมณะปัจจัยแก่สติสัมปชัญญะได้มากเท่านั้นนี่เรามองไม่เห็นไงตรงนี้ทีนี้เรายิ่งเรามองเห็นสิ่งอื่นเนี่ยว่าจะเป็นอา ร, รมณปัจจัยอา ร, รมณนาี่ปฏิปัจัยอา ร, รมณูปริสยาแก่กุศลศีลได้ยังไงใช่ไหมจช่ก็รไม่เป็น พอระลึกไม่เป็นเนี่ยตัวมหากุษญานนะสัมปยศมันั้นก็ไม่เกิดพอมหาอุษญานนะสัมปยศมันั้ไม่เกิดน่ะอวิปัิสานมันจะมาแทนนี่เดือนร้อนใจรักษาเดินไปยังเครียดอยู่วันก่อนใจยตีหน้าตกใจนะหมอที้หมอพูดเนี่ไม่ใช่พระพูดนะเขาบอกว่าในบรรดาหนักบวชที่นี้บวชเบาได้หรือเล่เขา เป็นโรคจิตโลกปรสาทเยอะใ น, ะนบรรดาผู้พรพที่บริหารงานเยอะๆเอาละจีพระแปลว่าอะไรเนี่ยกุศลศีลไม่ทํางานเรื่องนี้เรื่องใหญ่ใช่ไหมกกศรไม่ใหญ่ไม่เล่นใหญ่เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้ชาวพุทธเราอะไต้องผิดพลาดเนะี่ยผิดพลาดไม่ใช่คําสอนของพุทเจ้าผิดนะแต่ตัวผู้มาเข้าใจคําสอนของพุทเจ้าได้ผิดเนะี่ยเออเราไม่ได้รับความสุขเขาบอกว่าเนี่ยอานันทชั ส, สุขไง ไหมสุขจากการได้มนัสสิการได้เจริญในกุศลศีลเป็นต้นเหล่านี้ยอวยาเสกสุขเป็นต้นเหล่านี้มันเป็นความสุขเนี่การอยู่กับกุศลศีลเนี่ยแล้วเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งบ้างแล้วมันปลอดภัยเป็นอิสระด้วยเป็นอิสระแล้วมีความสุขเพราะชีวิตที่มีกุศลศีลแวดล้อมมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับอยู่บ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดโจนผู้ร้ายก็ไม่สามารถที่จะมาทําลายได้ใช่ไหมใช่ ทีนี้มาเรามาพังรั้วงเราเองนี่สิจริงๆเราจะทุกมากเลยให้สังเกตดูนะว่าตาปาติโมกสังวรศีนใช่ไหมอันที่สองท่านจะสอนอินเรียสังวรศีนก็แปลว่าตัวอินเสลีสังวรศีนเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับรั้วเลยทําให้ตัวปาจีโมกสังวรศีนเนี่ยชัดเจนขึ้นเพราะจะปิดบาปใช่ไหมคนที่รั้วละเมิดก็เพราะอะไรปล่อยให้บาปเข้ามาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยให้อภิชาและโท ม, มันัดใช่ไหม ถ้าวิชาไหลเข้าทางทาวารตาทาวานหูทาวานจ ม, มูกทาวานลิ้นทาวานกายทาวานใจลงสู่ทาวานใจในสินจินก็เกิดความกำหนัดเมื่อเกิดความกำหนัดขึ้นมาเกิดความยินดีกว่าความเพิดเพลินขึ้นมาก็ทุจริตสามก็ตามมาเนี่ยทุจริตามมา ท, รทางการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นตน้นใช่ไหมงั้นเวลาเราจะเข้าไปตามสถานที่ต่างๆหนึ่งโลพักก็เข้ามา ท, ทางทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ปิดบาปปิดอคุโสลธรรมรามกไม่ไดบนบางทีก็โทรศัพทแบบ มันก็จะเป็นอย่างนี้ชีวิตก็จะอยู่อย่างนี้เมื่อเข้ามาแล้วในส่วนจริงๆกายกรรมวัจีกรรมก็เศร้าหมองแล้วเราก็จะเลือดร้อนก็จะเจ็บปวดกันอยู่อย่างนี้ยในส่วนจริงๆเราก็ไปกายทวจริตวัจีทวจริตแล้วก็มโนทวจริตก็จะตามมาพอทวจริตมากเข้าครบกรรมรบทชขึ้นมาเอาแล้วจะนี้ให้ผลในปฏิสนธิการยุ่งเลยดูใช่ไหมนอกจากให้ปฏิวัติการปรกติกรรมที่ทําในขณะฝันก็ดีรกรรมที่ทําไม่ครอบกรรมบทก็ดีก็ให้ผลในปฏิวัติการใช่ไหม ในปฏิการก็เจ็บปวดอยู่แล้วอันนี้ให้ในปฏิสนธิการลองคิดดูที่ว่ายุ่งเลยสมมติว่าเราเจริญกุศลอย่างดีแล้วให้ทานก็ดีทํากุศลอย่างอื่นมาอย่างมากมายเลยนะอย่างเช่นนี้นที่โอ้ยทําอย่างมาโหรานเล ย, ยแต่เสียหายตอนที่ไปทํากุศลศีลไม่ดีพอทานกุศลดีแต่กุศลศีลไม่ดีพอนี้ส่นจริงก็เรียบร้อยตรงปฏิสนธิเป็นอบายสัตว์ พอเป็นอบายศาสตร์ขึ้นมาโอ้ยคนดูแลอย่างดีที่เชียงใหม่นี่ได้ข่าวหมีไหมมีใครให้ของขนาดนั้นไหมนะใช่ไม่ใช่นี่เห็นไหมกุศลศีลเ้าเสียแต่ว่าทานในกุศลเขาดีอเอาสิอย่างนี้เราก็จะเห็นโอ้ยความไม่บริบูรณ์ของกุศลศีลนี่มันเป็นโทษในี่สุดจริงๆอ่ะถ้าหาเขาเป็นอบายศัสตร์เ่ะเขารับเลยจักผูวิญญาณเห็นดีได้ยางไงปฏิการได้ โสตวิญญาณได้ฟังเสียงดีๆได้คางนะวิญญาณดมกลิのの่นดีๆได้ชิวหาวิญญาณก็รับรสอาหารดีๆได้กายยะวิญญาณก็ได้รับสัมผัสดีๆได้แล้วได้ลอยู่สัมปติชนะรับอารมณ์ดีสันติระณะก็ไต่สวนอารมณ์ดีๆเป็นต้นได้แต่ฐานระณะได้ใช้สามเดือนได้สันติระนาสาวาสวิบากก็ใช้เวลายุ่งเลยนั่นก็จำกัดอยู่อย่างงั้นแหละเอาเป็นเหตุตุกาปฏิสันทีอีกเพราะเป็นอหตุตุกาปฏิสนที ถามว่าสามสู้นกแขกเต่าในสติปัฏฐานยังไม่ได้เลยใช่ไหมนนกแขกเต่าในสติปัฏฐานยังบริกรรมอธิอธิได้เขายังเห็นเป็นกระดูกข้าวกระดูกนะแล้วมองเห็นเกลื่อนกลนเต็มไปในกผ่ดินเต็มไปด้วยกระดูกเนะลยเราสู้นกแขกเต่าได้เราศึกษาส่วนนี้จะดุงทุกทีอา้าวโยมเคยคิดไหมล่ะโยมเคยจเจริญอธิการกรรมฐาน ถามว่าเขาเริ่มตั้งแต่ไกลตั้งแต่อานาปานาไปจนตั้งแต่นี่ยตั้งแต่ผมคนเริ่ไล่ไปตามดับตั้งแต่ศพเนะ่ยศพที่มันคล้องอุดขึ้นเขียวเป็นดำจนไหลเลยเป็นกระดูกเป็นทผมถามบอกว่าในสังสารวัตที่เราเวียนไหวตายเกิดมากหรือน้อเพราะคุณอาจาตรัสบอกว่าถ้ากระดูกของคนแต่ละคนนีกรองนั้นเฉพาะกระดูกนี่นะมากกว่าภูเขาเวฬละมากกว่านั้นภูเขาเวฬหะเนี่ยไม่ใช่สมัยปัจจุบันเนะ่ใช่ไหม ภูเขาเวฬุพลาเนี่ยบางยกบางสมัยขึ้นวันหนึ่งลงวันหนึ่งบางยกบางสมัยบางพระเจ้าบางองค์เนี่ยขึ้นไม่รู้กี่วันสรุปแล้วนั่นบอกว่าคนที่เจริญอัติการรมมาถามเนี่ยเดินไปในพื้นแผ่นดินเนี่ยเจออนุของแผ่นดินหนึ่ง อ, อนุก็นั่นคือกระดูกของเราเนาะแขกเจ้ามันเห็นกระดูกเปลือนกรนเต็มไปหมดในแผ่นดินที่ว่าตอนนี้เหี่ยวเฉียวเขา อ, อยู่เขาก็ร้องว่ะใช่ไหมร้องแกล้งไปเนี้ยเขาเห็นเป็นกระดูกไปหมดเนี่ย เห็มีแต่กระดูกเรียยลายเต็มไปหมดเลยเขามองเห็นพวกเราก็เป็นกระดูกแล้วเห็นในตัวเหี่ยวมาเชียวจับเข้าไปก็เป็นกระดูกเพียงถามว่าสัญญามนัิการของเราเคยเห็นเป็นกระดูกอย่างนั้นเคยคิดจะเห็นเป็นนครงกระดูกไนั่งเดียวมีแต่โครงกระดูกนั่งเต็มไปหมดที่นั่งกองทาผู้แสดงทำก็คือโครงล่างโครงกระดูกเลยเห็นกระดานั้นไหมถ้าเห็นไม่ได้นกแขกเต่าเป็นมนสิการสัญญาก็ดีกว่าเราครับอันนั้นก็อยู่ใกล้อะไรใช่ไหมอยู่ใกล้เพียง เขาอยู่ในสำนักของพิสูนี้พิสนนี h, ้ก oh ็อาดข้อมูลทุกวันให้ข sort of ้อมูลท sort of ุกวันนี Billboard ่เราไม่ได้อยู่ในสำนักของท่านพุโรู serving, right? ิใช่ไหมถ้าอยู่ในสำนักของท่านพุโรูิหรือในพระธรรมคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ข้อมูลทุกวันให้ข้อมูลตามความเป็นจริงก็เปลี่ยนทิศที่ได้นะนี่เรามันไม่ได้ไม่ได้เสพคุณพระธรรมคําสอนเนี่ยเราเสพพระธรรมคําสอนวันหนึ่งสหนึ่งชั่วโมงต่อไปเราอะไรยี่สิบสี่ชั่วโมงเราไปเสพอะไรเสพอัศธรรมใช่ไหมเสพในสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมโดยเด่นโอ้ ตายเลยอันเราฟังพระธรรมยี่เดียวเร า, เร า, เ, ราเราฟังเรื่องสมมาทิฏฐิสักชั่วโมงมิจฉาทิฏฐิฟ้าเข้าไปอะยี่สิบสามชั่วโมงฟังนี่นะมันก็อยงอย่างเงี้ยชีวิตเนี่ยนั่นจะไปทางไหนอเยนะ้ยมันก็ไปทางเสียงข้างมากเยอะเสียงข้างมากก็ลาบไปนะก็เสียงข้างมากเพราเราไปเกิดในภพใหม่แล้วกลายเป็นคนหมู่มากไปเลยนะี่ยุ่งเลยนี่เพื่อคนหมู่มากไปยุยนะ่งฉะนั้นตัวกุศลศีลเนี่ยที่บอกว่า จะต้องหนาแน่น è. ปริมาณของกุศลศีลนั้นต้องหนาแ น, น่นถ้าไม่หนาแน่นจริงๆนะก็จะไม่เป็นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงไนดะเมื่อไม่เป็นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นจากทำสมาธิให้เกูดนี้เพราะอย่าลืมนะว่าศีลเป็นปัจจัยที่อาวิปัิสานอาวิปัิสานก็เป็นปัจจัยเกิดปรามโมดปรามโมดก็เป็นปัจจัยเกิดปีติปีติก็เป็นปัจจัยเกิดปัจสถธิ ปัจสถานีก็เป็นปัจจัยเกิดความสุขสุขตั้งอาถึงจะเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยเกิดยถาภูฏายานัทสนะยถาภูฏายานัทสนะนี่คือปริญญาเนะระดับยาตัปริญญาทีระนปริญญาเนะยถาภูฏายานัทสนะให้สังเกตดูที่เราพูดเรื่องปริญญานีปริญญาเนี่ยยาตัปริญญาทีระนปริญญาเนี่ยระดับนี่นะสูงกว่าไปโน่นหน่อยก็เป็นระดับ ในด้านของทางคานวปัสสนาญาณก็ว่าไปตรงนั้นก็เป็นป่านาปริญญาพอพูดถึงในเรื่องของตีระนบปริญญาหรื อ, รอยาตปริญญาเนี่ยถามว่าปริญญาเนี่ยเกี่ยวไปในเรื่องของยะถาภูดายานทัศน์าเป็นต้นหรือเนี่ยหรือทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเหรือเนี่ยนะถ้าเรามาดูตัวปัญญาตัววิปัสสนาปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ถามไม่ที่เราพูดระดับสูงกันแล้วนะเนี่ยใช่ไหมพูดระดับสูงแล้วเราก็ต้องมาเชื่อมโยงเอออะไรล่ะ ประทัดฐานของปริญญามันคืออะไรก็คือสมาธิและประทัดฐานของสมาธิคือสุขกายยึกับสุขเจแต่สิกสุขนี่แหละสุขทางกายแล้วก็สุขทางใจนี่แหละสุขนี่ก็คือมีอะไรเป็นประทัดฐานอ่ะมีปีติเมีปสัสสติปัสสธิก็มีปีติเป็นประทัดฐานปีติก็มีปราโมทเป็นประทัดฐานปราโมทก็มีอวิปปิสารอาวิปปิสารมีกุศลศีลดูสิฉะนั้นในทางของกุศลศีลเนี่ย การเจริญกุศลและศีล ก, ก็ยังอือกุศลแลศีลก็ยังก็พร่องกรแพงอยู่ไหมทีนี้นั้นเราจึงทําปริญญากันได้ไม่ค่อยตลอดรอดฝั่งไปมันก็ตกไปมันก็ตกเพราะฐานไม่ค่อยดีใช่ไหมทีนี้กุศลศีลมันก็ต้องมีกุศลศีลจะดีหรือไม่ดีก็มาจากในเรื่องของสุจริตสามเป็นต้นเออเกี่ยวกับเกี่ยวในเรื่องของโยนิโสมรสิการเป็นต้นก็อ ย, อย่างที่ีวันก่อนพระก็ถามถามบอกว่าเออถ้าเราจะ เราจะรู้ได้ยังไงเบื้องต้นของเราในการที่จะเข้าสู่มุสโสฬธรรมเนี่ยอะไรอะไรเป็นปัจจัยในการจะเข้าสู่เบื้องต้นของมุสโสธรรมคือเราต้องดูอะไรรู้ไหมเอวิชาใช่ไหมความไม่รู้ในฐานะแปดไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกเกษตรมูทัยไม่รู้ในทุกคณิโรดไม่รู้ในทุกคนิโรดอาคารมีปฏิปทาไม่รู้ในไม่รู้ในขันนัยยานุท่าที่เป็นอดีตไม่รู้ในขันนัยยานุท่าที่เป็นอนาคต ไม่รู้ในขัานในยตนาธาทั้งที่เป็นอดีตนาคตไม่รู้ในปฏิสตูบานเอไม่รู้ในฐานน่แปลประการนี้เป็นอวิชชาแล้วสรุปก็คือว่าที่เราลองมองดูสิเราคิดถึงคนอื่นเราเคยเราเข้าใจไหมว่าเรากําลังคิดถึงขันคิดถึงรูปขันหรือคิดถึงอุเอตนาขันหรือคิดถึงสัญญาสังขารวิญญาเรามานาสการแบบนั้นไหมถ้าไมา่ไดมานาิการอย่างนั้นแปลว่าอะไรปิดอวิชชาปิดไหม อาวิชาจะปิดทันทีเพราะเราไม่ได้มานสิกาเมื่ออื่นกำลังมานสิการถึงขันนันเนี่ยก็ถ้าเราดูในพายะสูใช่ไหมอันนี้มาย่อๆคนนี้ในรายละเอียดเอาไว้มีโอกาสด้ว่าว่าเอาวิสติมันที่บอกว่าเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเนี่ยที่ในประไตริฎกบางทีเห็นสักแต่ว่าเห็นบ้างบางท่านก็แปลว่าเห็นจักเป็นสักว่าเห็นว่าทิฏฐิทิตมาตังภวิสติมอัตถกาถาทังหมดเป็นขยายเห็นเนี่ย ตัวจ <unlucky> ักขูวิญญาณเนี่ยเป็นผู้เห็นรูปอารมณ์นั้นเป็นผู้ที่ถูกเห็นใช่ไหมนี่จักขูวิญญาณที่เห็นรูปอารมณ์นั้นจักขูวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลมไอ้ตัวจักขูวิญญาณนันเป็นวิบากจิตใช่ไหมทีนี้ตัวจักขูวิญญาณที่เป็นตัวผู้เห็นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสมมุติว่าเราไปกําหนดนะเห็นแต่สักว่าเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นพอไม่แค่นี้พอไหม เห็นสัก์แต่ว่าเห็นเห็นหนอก็ได้เหรสมมติเห็นหนอนเนี่ยได้ยินหนอก็ได้ใช่ไหมสมมติพอไหมแค่นี้บอไหมนี่มันเออปัญหาก็คือว่าเห็นเนี่ยนะท่านในคําสอนท่านจะบอกว่าจักรคูวิญญาณเนี่ยเป็นนามเนาะรู ป, ปารมณ์เนี่ยเป็นรูปนะถามว่า และจกักขวิญญาณเวลาเขาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีปัจจัยไหมลนะ่ะใช่ไหมมีเวทนาขันเกิดร่วมไหมมีสัญญาขันเกิดร่วมไหมมีสังขารขันเกิดร่วมหรือไม่ฉะนั้นสัมปยุบันปัจจัยคุณต้องชัดด้วยนะไม่ใช่คุณเห็นได้เห็นสักเห็นน้อยไม่ใช่แล้วแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมจกักขวิญญาณนอกจากจะอาศัยสัมปยุบันปัจจัยแล้วจกักขวิญญาณยังต้องอาศัยจกักขวภาษาถ้าเกิดดนะ้วย เอาไรสินี้ใช่ไหมเอมยังต้องอาศัยเกี่ยวในเรื่องของวัตถุปเรช า, ชาติชาติเป็นต้นเป็นไปด้วยเอาถ้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้แล้วเราจะเข้าใจได้ไงว่าจักภูมิยานียเกิดจากปัจนะจัยถ้าไปเห็นว่าออปัจจัยจกักภูมิยาณเกิดแล้วประดับไปไปมาจะเป็นอุเฉทที่เทียวนั่นเนี่ยใช่ไหมเออเกี่ยวกับในเรื่องของการพอจกักภูมิยานเห็นแล้วจกักภูมิยานระดับไปแนละ้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเนย ส้นตาวิญญาณเกิดขึ้นมาฟัางเสียงพคบประดับไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันดับหรือมันไม่เที่ยงเป็นทุกขหรือเป็นอนัตตาเป็นต้นมันเกิดจากปัจจัยนะหนึ่งมันเกิดจากเวทนาขนันสัญญาขนันแล้วก็สังขาระขันในด้านโลกสามวิยตตปัจจัยเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากวัตถุคือจากขู่ภาษาใช่ไหมเป็นวัตถุปเรชาต่อปัจจัยวัตถุปเรชาต่าวิปยตต่ปัจจัยเป็นต้นเนี่ยในวัตถุปเรชาติชาติวัตถุ วัตถุปูเรชาจินทริยปัจจัยเป็นต้นนี่นะคือมันมาจากปัจจัยเนยแล้วปัจจัยเหล่านั้นแม้รูปธรรมที่เป็นฐานเป็นที่ตั้งของจักรคุ ญ, ญายังไม่เที่ยงเลอะจักรคุญยัซึ่งเป็นน้ำมทาทำขณะเล็กน้อยกว่ารูปธรรมจากเที่ยงจะที่ไหนมันจะชัดตรงนี้เนี่ยแปลว่านอกจากหนึ่งรู้ว่าเป็นรูปเป็นน้ำแล้วมันไม่ได้พอแค่นั้นไงมันต้องสาวไปดูปัจจัยของเขาด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นการทําป ร, ริญญาเนี่ยมันจะไม่เกิดนะการทำปริญญาก็ต้องมาสาวดูปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ แล้วก็มาพิจารณาไข่ควรของปัจจัยของสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็จะเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุพเป็นอนัตตาก็ว่าไปตามลำดับส ถ, ถามว่าที้ถ้าเรามาไข่ควรขนาดนั้นแล้วเราจะรู้มากขนาดไห น, นท่านบอกว่ารู้ไปตามตามอัธยาศัยบางท่านก็รู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยบางท่านก็อย่างพระปเจรพระพุทธเจ้าหรือพระอัครส า, าวกเป็นต้นอะไรนี้นะฉะนั้นลักษณะการรู้นั้นก็กแตกต่างกันหมดเลยแต่ว่าตรงนี้ต่างหถึงบอกว่าถ้าครูโสระศีเนี่ยนะ ไม่ดีพอแล้วเนี่ยฐานในการทำปริญญาก็จะเสียหายแต่นี้ก็ต้องมาเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้อันนี้ก็ใกล้เวลานะเดี๋ยวเจริญพิเศษเกันทุนเล็กน้อยดีินะ